ความกลัวความคลาดย่อมเกิดขึ้นแก่เราเป็นครั้งคราวเราจะกำจัดความกลัวและความคลาดได้โดยวิธีใดพุทธดำัสตอบภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีลประกอบทำเครื่องระ ง, งับจิตของตนไม่ทำตนให้เหินห่างจากฌานพอกพูนสุญญาคารคือพยายามอยู่ในเรือนว่างหรือที่สนัดเงียบบาเพ็ญเพียรทางจิตใจ